ถามคนบางคนมีแรงดึงดูดและมีอำนาจชักจูงคนจำนวนมากดังที่ฝรั่งเรียกคาลิสมาเหมือนอย่างเช่นอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่เหนี่ยวนำประชาชนที่กำลังสิ้นหวังให้กลับฮึกเหิมและลุกฮือขึ้นเป็นพวกครั่งชาติกับทั้งเปลี่ยนเยอรม น, นีจากสภาพผู้แพ้สงครามโลก ให้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจได้หรืออย่างหญิงชายที่มีอำนาจตรึงใจคนราวกับโดนคุณใสเหมือนมีพลังบังคับให้คนที่ใกล้ชิดอยากบอกว่ารักและอยากอยู่ด้วยตลอดไปแม้ว่านิสัยใจคอจะก้าวร้าวและไม่น่าติดใจเอาเลยแต่กลับเป็นที่จดจำลืมยากและอะไรโหยหาอย่างเนี้ยมาจากการสั่งสมกรรมแบบไหนตอบ พวกที่มีคาริสมาสามารถให้ขุนให้โทษทั้งกับตัวเองและโลกได้มากเท่ามากหากชาติไหนน้ำหนักกุศลดนใจให้คิดดีก็อาจเหวี่ยงตัวขึ้นไปเป็นศาสดาได้แต่หากชาติไหนน้ำหนักอกุศลครอบงมจิตก็อาจกลายพันธุ์ไปเป็นจอมซาตานได้ไม่ยากเช่นกันก่อนอื่นมานิยามคำว่าคาริสมากันให้ชัดเฉพาะในที่นี้นะครับ ว่าเราพูดถึงคนมีแรงดึงดูดสูงผิดธรรมดาและไม่จำกัดเฉพาะว่าเป็นพวกผู้นำการปกครองหรือาศาสดราใดๆแต่เหมารวมไปถึงชายหญิงที่สเสน่ห์แรงผิดปกติใครเห็นเป็นต้องหลงไหลคลั่งไคล้อาจจะในทันทีหรือเพียงพบปะพูดคุยขนสองหนตัวตนของพวกมีคาริสมาเหมือนแม่เหล็กทรงพลังคุณจะมองไม่เห็น กับทั้งไม่รู้สึกหรอกว่าแรงดึงดูดจากเขาและเธอมันส่งออกมาจากตรงไหนเพราะทั้งหมดที่เป็นเขาและเธอนั่นเองคือแรงดึงดูดทันทีที่คุณเห็นเขาหรือเธออย่างน้อยต้องจ้องมองด้วยความพิศวงหรือรู้สึกพิเศษผิด ธ, ธรรมดาสักอึดใจหนึ่งกรรมที่ทำให้น่าสนใจย่อมเป็นไปในฝ่ายบุญกุศลและการมีคาริสมาก็มักจะเป็นกระแสกรรม ที่สืบเนื่องในทางเดียวกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันบรรดาบุญที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปเนี้ยเพียงข้อใดข้อหนึ่งอาจยังไม่เข้าขั้นก่อให้เกิดคาริสมาต้องหลายๆข้อประกอบกันจึงให้ผลชัด 1. บุญอันเกิดจากการเป็นผู้ยินดีริเริ่มทำดีก่อนใคร บุญชนิดนี้จะตกแต่งให้รูปร่างหน้าตาแตกต่างจากคนทั่วไปคือมีบางอย่างที่โดดเด่นขึ้นมาอาจไม่ได้สวยหล่อเป็นพิเศษแต่อย่างน้อยต้องดูดีมีความสงา่าแบบที่ชวนให้หมู่ชนเชื่อว่าเป็นผู้นำได้ฝากความหวังได้หรือเป็นที่พึ่งให้กับพวกตนได้รูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมีความคงทนฉะนั้น รูปร่างหน้าตาจึงมักสะท้อนบุญหรือบาปที่ทำเป็นประจาทำอย่างสม่าเสมอในอดีตชาติหากปัจจุบันในชาติยังคงสืบสายกรรมแบบเดียวกันนั้นก็ย่อมเป็นไปด้วยกันเข้ากันได้อย่างกลมกลืนคือทั้งกายและจิตฉายรัศมีไปในทางเดียวกันสัมผัสด้วยตาเปล่าก็เชื่อแล้วว่าหุ่นอย่างเนี้ยนาคนได้นอกจากผลที่เกิดทางกายแล้ว บุญชนิดนี้ยังให้ผลทางใจอีกด้วยกล่าวคือพวกเขาจะกล้าแตกต่างไม่กลัวที่จะแตกแถวโดยเฉพาะเมื่อมั่นใจแล้วว่าเป็นการแตกออกมาจากแถวที่เลวพวกที่กล้าแตกต่างมักสามารถทำเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดาได้ถ้าคุณเคยกินแกงจืดหรืออาหารธรรมดาอื่นๆแต่รสชาติไม่ธรรมดาก็คงเดาได้ว่า นั่นสะท้อนถึงกรรมวิธีที่แตกต่างและสิ่งที่ทำให้กรรมวิธีแตกต่างกันก็คือวิธีคิดของแต่ละคนผู้ที่ทำของธรรมดาให้ไม่ธรรมดาได้ยอมชื่อว่าเป็นคนพิเศษและคุณก็รู้สึกถึงความพิเศษจากกระแสความเป็นเขาได้เพียงพบปะพูดคุยไม่นาน 2. บุญอันเกิดจากความตั้งใจจริงหนักแน่นคือ เมื่อคิดอนุเคราะห์เหล่ามนุษย์และสัตว์จะมุ่งมั่นทำให้สำเร็จแม้ต้องผ่านความยากลำบากและอาศัยระยะเวลายาวนานเพียงใดใจจะเล็งอยู่แต่เป้าหมายเท่านั้นไม่ถึงไม่เลิกและไม่นำพากับอุปสรรคที่ขวางทางอยู่ความภาคเพียรจนสำเร็จโดยไม่วอกแวกมีความขมใจมีความอดกลั้นต่อการยั่วยุให้เควออกนอกทางก็เหมือนการทาสมาธิอย่างหนึ่ง ยิ่งหนักแน่นแน่วแน่จิตก็ยิ่งตั้งมั่นรวมเป็นดวงใหญ่และตามธรรมชาติของจิตแล้วยิ่งมีความใหญ่ขึ้นเท่าใดก็ยิ่งข่มจิตที่เล็กกว่าให้ยอมอพิ่นพิเทาได้มากขึ้นเท่านั้นผู้นำระดับแม่ทัพต้องมีบุญชนิดนี้มากๆจิตจึงมีอนุภาพสูงผลของบุญเมื่อเอามาใช้ในทางบาปอาจอยู่ในรูปของความเหี้ยมเกรียมเด็ดขาด หรือดื้อจะเอาอย่างใจให้ได้แต่ความเยี้ยมเกรียมและความดื้อก็อาจหมุนกลับมาเป็นปัจจัยหนุนความดีเมื่อใดอยากทำดีก็ทำเต็มที่อีกเหมือนกันพวกที่เด็ดขาดทั้งทางดีทางร้ายมามากมักมีรัศมีแรงสูงมีความน่ายำเกรงถ้าบวกเข้ากับการเป็นคนช่างคิดช่างฝันมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะทาให้ความฝันเป็นจริง ก็มรู้สึกชัดเจนจากข้างในว่าโลกนี้ต้องเป็นไปตามจินตนาการของข้าคือนึกอยากให้เกิดอะไรขึ้นก็มักเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆคุณอาจเคยตกอยู่ใต้อำนาจการเหนี่ยวนำทางจิตของคนอื่นมาก่อนเช่นคุณ<ๆ>อยากบอกว่าไม่แต่รู้สึกถึงพลังกดดันให้ต้องตอบว่าก็ได้หรือคุณยังไม่พร้อมโทรหาใคร แต่รู้สึกเหลือฝืนต้านต้องโทรหาเขาเดี๋ยวนั้นซึ่งก็ตรงกับความต้องการของเขาพอดีพวกมีคาริสมามักรักแรงแข็งแรงและชอบสะกดจิตคนอื่นด้วยมโนนึกของตนเองลักษณะาภายนอกของคนพวกเนี้ยมักมีดวงตาดำใหญ่ฉายอารมณ์ชัดและชอบจดจ้องการที่จิตเขาแรงจะทำให้ตัวเขาแจ่มชัด และคงเส้นคงวาในมโนภาพของคนอื่นลองหลับตานึกถึงคนที่คุณเห็นมาจะพบว่ามีระดับความชัดเจนต่างกันและที่ชัดสุดก็ได้แก่พวกมีคาริสมานี่เองอันหนึ่งพลังทางอารมณ์ที่เข้มข้นอาจทำให้พวกเขาดูเหมือนสติดีแต่ความจริงเป็นความสามารถจดจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเมื่อเลือกจดจ้อง ก็อาจเหมือลอยขาสติได้อย่างคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นคนธรรมดาทั่วไปอาจรู้สึกว่าตัวเองโกรธแต่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับความโกรธส่วนพวกมีพลังทางอารมณ์เข้มข้นจะโกรธด้วยจิตที่แค้นแรงและอาจมีอนุภาพคุกคามข่มขวัญให้คู่แค้นรู้สึกเหมือนเผชิญปีศาจที่น่าพรานพึ่งแต่เมื่อหลุดจากภาวะโกรธนั้น เขาจะดูเหมือนคนธรรมดาไร้พิษสงไม่คล้ายปีศาจแต่อย่างใดว่ากันว่าฮิตเลอร์นั้นเมื่อเดินเข้าห้องประชุมทหารระดับปกครองเหล่าทหารใหญ่มักรู้สึกเหมือนมีไฟช็อตอ่อนๆแสดงให้เห็นถึงขุมพลังที่โชนออกมาอย่างแรงกล้าของฮิตเลอร์ที่คุกคามขวัญได้แม้แต่ทหารใจเยี่ยมด้วยกันแต่ความจริงก็คือฮิตเลอร์ เป็นคนอบอุ่นที่ดูไม่น่ากลัวอะไรเลยสำหรับครอบครัวและคนที่เขารักนั่นแสดงให้เห็นว่าอยู่กับทหารเขาตั้งจินตนาการเกี่ยวกับตนเองไว้อย่างหนึ่งต่อเมื่ออยู่กับคนที่เขาจะเป็นตัวของตัวเองจริงๆจินตนาการก็จะแปลไปเป็นอีกอย่างหนึ่งและเช่นกันคุณอาจตกอยู่ในบ่วงพิศวาส์ของชายหรือหญิงสักคนลงนึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มีจินตนาการเลิ่ลอยชวนพิศวงราวกับเท พ, พบุตรเทพธิดาแท้จริงอาจเป็นแค่จินตนาการของเขาหรือเธอที่สามารถเหนี่ยวนาให้คุณเห็นไปอย่างนั้นและคุณก็หลงเชื่อหลงรู้สึกไปอย่างนั้นแบบถอนตัวไม่ขึ้น 3. บุญที่เคยทำธรรมะให้น่าสนใจธรรมะในที่นี้หมายถึงความเชื่อดีๆ ความรู้ดีๆสักจ์จากความจริงดีๆที่ทำให้คนทั้งหลายหันมาฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นจะเป็นธรรมะในศาสนาพุทธหรือลัทธิความเชื่ออื่นใดไม่สำคัญสำคัญที่พาคนไปทางดีได้ก็แล้วกันแนวการเผยแผ่ธรรมะของแต่ละคนผิดแผกแตกต่างได้ลิบเลีว่วบางคนก็ใช้วิธียัดเยียดบางคนก็ใช้วิธีบังคับข่มขู่ บางคนก็ใช้วิธีอนุโลมเอาใจบางคนก็ใช้วิธีผ่อนคลายด้วยอารมณ์ขันบางคนก็ใช้วิธีเหนียวนำให้สนใจด้วยอุบายแยบคายแน่นอนว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ธรรมะด้วยวิธีต่างๆย่อมไม่เหมือนกันไปด้วยว่ากาันเฉพาะวิธีเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีเหนียวนาให้สนใจถ้าใครทาสม่าเสมอไม่ต้องรอชาติหน้า จะเห็นได้ชัดว่าตัวตนของเขามีแรงดึงดูดเป็นแม่เหล็กกันได้แล้วส่วนจะเป็นแม่เหล็กอ่อนๆหรือแม่เหล็กแรงๆก็ขึ้นอยู่กับบารมีหลายๆด้านประกอบกันพวกทาธรรมะให้น่าสนใจนั้นในชาติถัดมามักมีความคิดสร้างสารรค์สูงบางครั้งก็มาในรูปของนิสัยชอบสร้างความอลังการน่าตื่นตาตื่นใจกับมวลชน เหมือนเช่นที่ฮิตเลอร์สร้างสัญลักษณ์ประกาศความยิ่งใหญ่อย่างอินรีเหนือสวัสดิกะแผ่ปีกบันเจิดอยู่ในรัฐสภาชวนให้นึกถึงความเป็นจักรพรรดิโลกความคิดสร้างสรรพันธ์ลึกชนิดนั้นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกระแสจิตของเขาไปที่ไหนภาพความเป็นอินรีเหนือสวัสดิกะย่อมติดตามเขาไปด้วยทุกผลทุกแห่งนอกจากทาธรรมะให้น่าสนใจแล้ว คงต้องเหมารวมการทําธรรมะให้แจ่มแจ้งด้วยหากเคยฝึกแจกแจงฝึกทำให้คนฟังเกิดความเข้าใจธรรมะอย่างชัดเจนเสมอเสมอชาติถัดมาจะพูดเป็นโดยไม่ต้องหัดหรือพูดเก่งโดยสัญชาตญาณคือมีน้ำเสียงชัดใสผูกประโยคได้เข้าใจง่ายไม่วกวนเป็นเหตุเป็นผลไม่เลื่อนลอยไม่คลุมเครือ และมักสั่งอารมณ์ในขณะพูดได้ว่าจะให้อารมณ์ของตนกลายเป็นอารมณ์ร่วมของคนฟังหมู่มากแบบไหนถ้อยคำและวิธีพูดเป็นส่วนประกอบสำคัญของคาริสมาแบบผู้นำเพราะต่อให้กระแสะจิตเป็นแม่เหล็กแรงเพียงใดก็ไม่มีทางโน้มน้าวใจใครได้โดยปราศจากการใช้คำพูดอย่างเด็ดขาด 4. บุญอันเกิดจากความเชื่อมั่นในความดีงามคือเมื่อศรัทธาในคําสอนหรือกรอบความประพฤติที่เห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสุขต่อตอนเองและต่อโลกแล้วก็ไม่กลับเปลี่ยนง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อตั้งใจถือศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ก็สามารถทำได้จริงๆตลอดชีวิตแม้ต้องเผชิญเครื่องลองใจมากมายการเป็นผู้ไม่โอนอ่อนตามการหลอกล่อ ไม่หูเบากับเสียงยั่วยุแต่มีหลักการพิจารณาที่แยบคายของตนเองอาศัยปัญญาของตนเองเป็นเครื่องตัดสินขั้นสุดท้ายล้วนแล้วแต่นํามาซึ่งความเป็นตัวของตัวเองศรัทธาที่ตั้งมัน่นไม่คลอนแคลนในบุญจะเป็นเกราะกั้นตนเองจากอิทธิพลภายนอกและแม้ยังไม่เกิดใหม่ก็จะเป็นตัวของตัวเองกระทั่งแรงชักจูงของพวกที่มีคาริสมาด้วยกัน ก็ทำอะไรไม่ได้เช่นถ้าจะเคารพนับถือใครจะไม่ใช่ด้วยอคติหรือไม่ใช่ด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความชังไม่ใช่ด้วยความกลัวและไม่ใช่ด้วยความโง่เขลาแต่เคารพนับถือเพราะเห็นคุณงามความดีบางอย่างของเขาโดยมากพวกมีคาริสมาจะดูเชื่อมั่นในตนเองแบบเกินๆพอดีแต่พวกมีคาริสมาขั้นสุดยอด จะเป็นแบบสูงสุดคืนสู่สามัญเพราะสามารถเห็นคุณงามความดีของทุกคนสามารถให้ความนับถือได้แทบทุกคนจึงกลายเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอันเกิดจากปัญญาจัดเป็นตบะบารมีชนิดหนึ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่อย่างใด อยากรู้ไหมว่าทำไมว่ากลราะอะไรต้นเหตุของใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผล